เพาะที่สาคัญก็มีสามคือสติสมาธิและปัญญาที่ต้องอาศัยศรัทธาและวิริยะเป็นผู้ทาให้เจริญกละเติบโ ต, ต, ต, ต, ตขึ้นมาดันั้นก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์เชื่อว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นผู้ที่ได้ พิสูจนแล้วว่าพระห้านี่แ่ะเป็นเครื่องมือที่จะเสริมสร้าง ก, กำลังให้แก่ใจทำให้ใจสามารถรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะทานถ้าเรามีจัตตาใาพระพุทธธรรมทั้งสองเราก็จะมีวิริยะ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 อย่าไม่ทุกข์ทรมานใจเราก็ศึกษาด้วยการเข้าหาพู้รู้ครูบาอาจารย์ต่างๆเรื่อรู้จักหนังสือธรรมะที่รับมาจากพระไตรปิฎกเรือหนังสือของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิชนโนทั้งหลายที่ได้ ปฏิบัติผ่านมาแล้วรู้จักวิธีที่จะพัฒนาป็นทีทั้งห้าให้เป็นภาระห้าเป็นมาพอเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งเราก็จะได้ยนเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเสมอสตินี้ก็เป็นเป็น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 ถ้จิตรวมรวมเป็นหนึ่งในเอกภาลมก็ต้องมีเชือกนี่เดิงรากคอจิตเข้าไปในกลองก็จะนั่งยากเย็นเพราะมีเชือกลากเข้าไปถ้าไม่มีเชือกก็ไม่มีทางที่จะจับจิตนี้เข้ากล่องนั่เหมือนกับจะจับลงเข้ากล่องโดยที่เราไม่ได้ผูกคอเข้าไว้กับเชือกแล้วเราถือถือเชือกเอาไว้ ไปเร่งตามจักมันเราสู้มันไม่ได้มันเร็กว่าเราหลายร้อยเท่าจิตของเรานี้ก็เร็วกาเราหลายร้อยเท่ามีสติในรหนักที่จะปราบมันได้ดังนั้นถ้าอยากจะเจริญในสมาธิแล้วจเจริญในปัญญาตามอันดับต่อไปก็าจาเป็นจะต้องมีสติเป็นเครื่องมือเอาไว้จับจิต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 คือการจริญสติมีวิริยะคือความอุตสหภาพเปลี่ยงที่จะจริญสติอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะยากเจลิญบาเพราะว่าเราเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทาเราไม่ถนัดเหมือกับการเปลี่ยนเปลี่ยนมือที่เราถนัดมาใช้กับมือที่เราไม่ถนัดถ้าเราถนัดมือขวาแต่เรา มีความจาเป็นที่ต้องมาใช้มือซ้ายพอที่เริ่มใช้ใหม่ๆก็จะรู้สึกว่าไม่ถนัดรู้สึกว่าลำบากทำอะไรไม่ได้ค้องแก้วว่องไวเหมือนกับใช้มือขวาที่เราถนัดแต่ถ้าต่อมือขวาของเรามันขาดไปเมื่อช้ำนิไปไม่สามารถใช้มือขวาได้เราก็ต้องจำเป็นที่จะต้อง หับใช้มือซ้ายแล้วเมื่อเราหากใช้ไปเรื่อยๆความถนัดมันก็จะเกิดผิดตามมาต่อไปแล้วต่อไปก็จะใช้มือซ้ายได้อย่างถนัดเพราะไม่เช่นนั้นนะคนที่เขาถลัดมือซ้ายแํามันเขาใช้มือซ้ายก็ได้ดีกว่าเขาใช้มือขวามือซ้ายมือขวานี่เขาไม่ไม่มีความถนัดในตัวเขา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 มางลุท่านจะใช้การบรยการพุโทโธเป็นเป็นเป่นเชื่อไว้บนใจเราเป็นหลักเป็นหลักที่จะถูกใจเอาไว้ด้วยเชื่อคือสติยืนขึ้นมาก็ก่อนจะลุกขึ้นก็พุโทโธเลพุโทโธประพัน์ใจพุโทโธพุธโทโธลุกขึ้นพุโทโธพุธโทโธไปอยาก้าห้องน้นไปทำกิจอะไรก็พุโทโธพุธโทโธอยู่ตลอดเวลา ให้จิตว่างจากเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะมีความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็ที่คือไม่รุงสร้างแล้วก็จะว่างจากอารมณ์ต่างๆพอถึงเวลาที่จะนั่งสมาธิมันก็จะโยนเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วการเข้าสู่สมาธิ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 ความรู้ที่รู้อยู่ติดอยู่กับจิตตลอดเวลาเวลาเห็นง่างกายของใครก็ตามจะเห็นผู้เจอเกิดแกับจิตกลายวินาทีใส่อาการสามสิบสองอสุภะประปุจจูเห็นแบบรับเดียวเหมือนกับเราอ่านหนังสือพอเห็นตัวหนังสือปับก็จะอ่านได้ว่ารู้ความหมายของตัวหนังสือนั่นเลยในขณะเดียวกัน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 ความทุกข์ต้องมีความรู้ที่จะมาพลายจิตให้หยุดจากความทุกข์คือเห็นพ่อเห็นแม่แล้วก็ต้องเห็นดินน้ำลมไฟเห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นถ้าเห็นภาพที่สวยงามแล้วเกิดอารมณ์คลายก็จะต้องเห็นอสุภะเห็นอาการสังคุชฌเห็นปฏิกูล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 ไปฟังเทศความธรรมจากท่านย่าก็ได้ยินแต่พอเราไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมันก็เหมือนแต่ว่าหายไปเลยเพราะว่าการที่การได้ยินได้ฟังเพียงครั้งเดียวไี่ไม่อเพียงเราก็เอามาทำต่อเอามาทำสลับกับการทมสมาธินี้เองสลับกับการ ควบคู่กับการเจริญสติเคอการจมิงสตินี้เป็นงานหลักเลยตลอดเวลา ต, ต้องมีสติพอเวาจะนั่งสมาธิก็มีสติควบคุมให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเช่นอารมณ์อานาปานสตินี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างทุทธานุสติก็คือการบริการพุทโธนี่ก็เป็นกรรมฐาน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 การเรียนการทำงานไม่ค่อยได้เพราะจิตจะต้องทำงานเกี่ยวกับงานนันๆก็ต้องคิดกับเรื่องงานนๆงก็ให้คิดอยู่กับเรื่องงานนั้นหมอเดียวอย่าอย่าคิดแล้วก็ไปไปไปคิดเรื่องอื่นที่เรามักจะทำอย่างนี้เสมอเราทำงานเวลาอยู่แล้วเราก็จะทันไหนทันไหนออกไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องเยนนี้จะเป็น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 ก็ให้คิดทางปัญญาแทนแล้วพิจารณาเรื่องกายใพิจรณาว่านั่งกายของเราก็มีอะไรบ้างก็มีอาการอย่งที่สองมาจากดินน้ำลมไปแล้วก็เจ้าต้องกลับไปสู่ดินน้ลมไปตามลำดัแบบต่อไป่นจะไปก็ต้องแก่ครับต้องเจ็บข้าวให้กิดกับถ้าพิจรณานี้ไปเรื อ, อย้ไปเรื่อยๆ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 ร่างกายของคนที่ตา ย, ต ى, ยไปแล้วเวลาเอาไปเผาฟังเขงาขเขเรหมหมู้เรืหมหม่องหรือเปล่าเขารู้ว่าเขาเจ็บหรือเปล่าเขาไม่รู้หรอกผู้รู้ก็คือใจแต่ใจไม่ได้ถูกเผาเทัาไหร่ทำานใจไปไปทุกธรมานแทนร่างกายทำไก็เช่นเดียวกับความเจ็บของร่างกายที่กาลังเกิดขึ้นอย่งนี้ใจไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้เจ็บท่าไหรแต่ทำงานใจเป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 ถึงแม้ว่าจะรับรู้ก็รับรู้เฉยๆไม่มีอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์รักอารมณ์ชังก็จะไม่มีสมุทัยจะไม่มีภาวะตัญหาหรือวิภาวะปัญหาภาวะัญหาก็คืออยากจะให้เป็นอย่างนี้เช่นสุดมวทนาก็จะเกิดภวะัญหาอยากให้สุดอย่างนี้ถ้าเป็นทุกขเวทนาก็จะเกิดวิภาวะปัญหาอยากจะให้ใน หายไปเย่ก็เป็นการสร้างสมุธทางขึ้นมาสมิทาง น, นี้นะครับคือต้อนเหตุของทุกอริยสัจทุกสัจสมุธทัยนี้เป็นสมุธทางรักษาอันนี้แบบคือคืออริยสัจสี่ถ้าจะปฏิบัติธรรมจะจะหยุดค้นจากทวามทุกข์ไดก็ต้องเห็นอริยสัจ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 การมาหลรามรมวกรมมัญหาได้ความทุกข์ก็จะหายไปก็ไม่ต้องไปหาเขาให้สียเวลอยู่เฉยๆมความสุขมากกว่าพอทุกอย่างล้วไม่มีอะไรจะมีความสุขท่าที่ปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นอริยสัจสี่ที่น่าให้จุดให้ปวที่นั่างกายก็เพื่อที่จะได้เห็นความกลัวความเจ็บปวด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 คิดไปทางปัญญาหนังจะไม่ไปหาสิ่งอืนมาดับทุกข์เพราะสิ่งอื่นๆไม่นนดับทุกข์ไม่ได้เพียงแต่ปลบไว้ได้ชั่วคราวเช่งไม่สมายใจก็ไปดื่มสุราหรือไปเที่ยวแล้วกปหาเพื่อนไปคุยไปปรับทุกข์อะไรที่ว่ากันแล้วก็เพียงแต่ไปปลอบผ่ามทุกข์ที่ผ่านในใจ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 อยู่ตลอดเวลานดาประโยชน์นอะ้รอยู่กับความทุกข์ูอยู่กับความไม่ทุกข์แล้วก็ตากับความไม่ทุกข์ไม่ดีกว่า<ม>ก็ต้องกล้าสู้กับความจริงกล้าสู้ว่าสราเราเราต้องแก่เราต้องเกิดข่ายได้เกิดเราต้องตายเราต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหมนี่คือการสร้างพละสร้างกำลังให้กับใจ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 ก้ารับรู้ได้จะไม่หวังหวงจะไม่สะทืนสะาเพราะเราเป็นเหมือนคนดูหนังแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับ่าการของเร า, ากับชีวิตของเรานี้ก็เป็นเหมือนหนังเช่นใจเป็นผู้นั่งดีอยาใจะไม่ดูเฉยๆใจดูรับต้องไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขด้วยเท่านั้นเอง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 เขาเบื่อไม่อยากจะมาว่าไม่อยากจะมาฟังเทพลงฟังธรรมเรื่องของเขาเราถึงเวลาเราก็มาเรือเราถึงเวลาอยู่บ้านเราก็เปิดฟังเรื่องตัวนัสืออ่านแล้วก็ปฏิบัติเพราะว่าเรายังต้องฟังต้องอ่านอยู่เรื่อยเพราะว่าเรายังไม่มีงธรรมะอยู่ในใจอย่างไรใจของเราคือยังไม่หึงไปทางปัญญาเอง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 ที่จะฝากให้ท่านทั้งหลายง่้ยงาไปาที่นิติจรารย์และปฏิบัติอันนี้สมาชิกทุกท่อนหลายพ่อได้ทราบว่าจะไปปฏิบัติธรรมกันพราะนวันศุกรนสี่วันเจ็ดตากมีการเวลาที่พระทุ่าน <c oughs> <c oughs> มันยิ่งถ้าเราทที่บ้านให้เป็นวัดได้เราก็ไม่ต้องไปที่วัดกนะันแล้วถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราก็ปฏิบัติได้เรืงรักษาิีลกั น, น, นได้เจริญสติเจริญสมาธิกจริญปัาได้เราก็อยู่ที่บ้านก็ไดนะ้แตถ้าบ้านยันไม่อำนวยมันไ ม, ม่สัตว์ปลายก็ต้องไปหาสถานที่สัตว์างเช่นสถานที่อย่างที่เราอยู่กับตรงนีนน้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันจะไม่มี รูปเสียงเกลื่นรต่างๆที่จะมาเยื่อยุให้เกิดการมาตังหาเกิดการมาฉันทะแต่ถึงหม้ว่าจะไม่มีรูปเสียงเกลื่นรถมาเยื่อยุอกิเลสมันก็ยุึดตัวของมันเองได้ถึงแม้ไปอยู่ในปา่ามันก็ยังปรงแต่งเรื่องทางโลกขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสติถ้าไม่วควบคุมจิตมันก็จะเผลอคิดไม่ไ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 ผูกใจไว้กับร่างกายให้รู้แั่เรื่องของร่างกายนะดูร่างกายที่เราจะเลกงเหนผมกล้วมเนี้อฟันหนงนี้อเอนกรดไปเรื่อยๆที่จะมาไปเรื่อยๆให้มันเกิดความเคยชินขึ้นมาเกิดความชำงานขึ้นมาแล้วต่อไปมันจะจะเฉยได้กับกับเรื่องราวต่างๆของร่างกาย เรื่องของของเราก็ดีเรื่องของผู้อื่นก็ดีจะไม่มีอารมณรักไม่มีอารมณ์ชัจะเฉยเฉยจะรักจะชังกับดินมน้ำเมือนใครทำไมเวลาเราโดนเราเ ป, ปรียบคนที่เราไม่กลธแต่เวลาใครสาบน้ำใส่เราเรากลธเพราะเราไม่เห็นว่าเขาก็เป็นเพียงดินน้าเหมืนอนใครเราเห็นว่าเขาเป็นคน แต่ถ้าเราเห็นว่าเขาก็เป็นดินน้าเหมือนไฟน้ํนานที่เขาสาดใส่เรามันก็เป็น น, น้ําเหมือนกันน้ําฝนที่เราถูกฝนในบางเวลาเราเดินไปแล้วฝนตกแล้วเราไม่มีร่มเราก็ต้องเปียกฝนนเราไม่กรกฝนแต่ถ้าใครเถอหรือไม่เถอะก็ตามสาด น, าน้ำใส่เราเราจะกรกคืออะไรทั้งสิ้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 ก็เห็นว่าเป็นธาตุธาตุธาตุหกเขามีธาตุสี่คือ น, น้ำลมไฟือร่างกายเขาแล้วก็มีมีธาตุใจคือธาตุรู้ก็คือใจเป็นผู้ควบคุมสั่งการร่างกายอีกทีก็เป็นธาตุตรงนี้นมองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีต่อมไม่ในของเราของเขา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 คุยกัท่านนั่นจะคุยแต่เรื่องนี้ท่านเรียกว่าสเส้ น, นวันยาจะบาลวันยาบติปีกามันจะเสวันยาให้คบมันดิบอยากคบคนพายม <c oughs> ันดิบก็คือพระอริะเศีคนพานก็คือปุถุชนอย่างพวกเรา <c oughs> คนพายก็ ค, คนโง่ข้าจะอธิบายภาษาบาวเรค่าคือมันมันต้องข้ามกับธรว่ามันดิบมันดิบเป็นคนชลา คามนี่แปลว่าคนโง่คนโง่ก็คือคนหลงมันมีความหลงโลหะครอบงมจิตใจ<ม>ก็จะคิดไปในทางโลกยากบัณฑิตก็จะมีธรรมลืมมักก็จะคิดไปในทางทางมักทางธารมมันเป็นสอนให้เราครบบัณฑิตอยากเป็นครบคนผาน<ม>ให้ท่อหาพระอริยเจ้าให้ท่องหาพระสุภุตติโย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 มันก็จะไปทางโลกแล้วเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาเกือบสองชั่วโมงนี้ก็จะหายไปยแต่ถ้าเนี่ยอย่างคุณพี่แม่นี่ยังปฏิบัติทางต่อนเนี๋ยก็กลับไปที่พักก็เดินจะคงต่ออวาวนาต่อเปิเปีเลยธรรมะที่ได้อยูน่นี้อาจัยพิจนณาต่อแนะ้ว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 ถ่อคนฟัง่าฟังแล้ว ม, มื อ, อ ก, กับทับพี่ในหม้อแกงหรือฟังแบบเข้าหูซ้ายหูขวาไม่ร่กเข้าไปในใจไม่มีหลงเหลือลยอยู่ในใจเลยในใจก็ยังเป็ น, น, นไปด้วยสมิทิใจคือการว่าการหาภาวะการหาที่ภาวะกัรหา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 ท้าันทำให้จาจกลายเป็นสติสมาธิเป็นปัญญาได้สมุทัยที่มีอยู่ในใจก็จะถูกขับไล่ออกไปไม่มีหลงเหลีออยู่ในใจพอไม่มีสมุทัยอยู่ในใ จ, จในก็จะเล็งโลภก็จะมีนิพพานเป็นผลตามนาั้นนั้นแหลบหลักกายตัวไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์จะมาปัจเริยะมาสอนทำก็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 ตอเวลาก็ไม่เอาามก็ไม่เอาลูกก็ไม่เอาสมบัติเข้าของเงินทองความสุขทางตาหูจมาหทุกการไม่เอาเอาแต่มรรคอย่างเดียวภาเดินจงกลมนั่งสมาธิปีที่้นหาที่สงบอย่างนี้รับดองไไม่เจ็บวันก็เจ็บตึงจะต้องเห็นผลอย่งนี้ม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 ไม่เป็นตัญหาหรอตปัญหาอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะบังคับใจของเราให้ไปในทางมาั่นทผลได้หรือเปล่าตงน้หรือว่าเรายังไปติดอยู่กับทางกิเลชทางตัญหาอยู่ถ้าไปทางกิเลทางตัญหามันก็ไม่ได้ทางที่จะบรร ล, ลุมักนผลนทางได้ เรากำลังเดินถูกทางหรือเปล่าเรามาทางนี้สองชั่วโมงแล้วก็ไปทางนี้ครับสามถสองร้อยชั่วโมง <c oughs> แล้วมันจะไปถึงไหนยังไงเราก็มาทางนี้สักสองร้อยชั่วโมงเข้ากันนั่นรถสกสองชั่วโมงคิดว่าคงจะเข้าใจนะ ท้งหมดนี้ข้าีที่ตัวเราเองเราต้องเป็นคู่เลือกทางเดิแล้วทางนี้ก็เป็นทางรักที่สุดแล้วไม่มีทางที่ไหนจะรักเากกว่านี้แล้ว่างที่สุดแล้วเจ็ดวันนี้ไม่ช่างเลยนะมีใจเอาแค่เจ็ดนาที <c oughs>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 โคกงการนั้นก็ห่วงยายกสิ่งยกพลังก็พยายามเป็นที่ทาสุดหัวใจว่พพาะเราไม่สุดหัวใจกับท่านนลยทำให้บูชาเป็นปฏิบัติบูชาเลย หัวอะไรห่วอะไอยู่นะมีอะไรหน้าหัวมีอะหน้าหัวมีแต่อนิจํ์ทุกข์ขังนักการย์ใช่ไมถ้าอาจารย่เาถือสีห์ห้าอย่างนี้นะครับมันมันมีแบบแรงจูงใจให้เราผิดสีเยอะมาก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 ก็ไม่พูดเท้งนั้นก็ก็รักษาได้ทำไมต้องพูดออพอเตอรต์ปิดปากไว้ก็วนเราที่เราครบค้าสมาคมกันได้ก็เพราะเชื่อถือกันได้ถ้าเราเชื่อถือกันไม่ได้แล้วจะใครจะมาคบค้าสมาคมกันเรา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 มีต้นเหตุขอทรัพย sí. <laughs> ์ภายในก็คือทรัพย์ภายในก็คือสินสินห้าอย่างยิ่งมีสินสัวาลย์ยี่สิบข้าให้ยิ่งสบายเลยมีคนเอาเงินมาให้ในตลาดเวลาไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปหาเนื้อที่เกิดของทรัพย์ก็คือสินที่เลยนะโพกสรัางปัญหาสินเป็นเหตุให้เกิดพวกทรัพย์ทั้งหลาย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 มีใครไปสงสัยว่าไปใช้อะไรยคุคหาไม่มีใครสงสัยนะให้พยายามมองให้เห็นคุณค่าของสื่อว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าสื่ออื่ท่้งหไม่ต้องไป ส, สี่อใดสิ่ออื่น อ, อย่างที่พระเจ้าบอกให้สละแม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมสี่อนี่ก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งให้สละทรัพย์ก็รักษาวาระ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 คนบางคนไี่ยอมตายกมเพชรไว้ในมือรักเพชรนิ่กว่ารักชีสของทะเลก็มีใช่ไหมจวลาโจนมาพวน่นไม่ยอมให้ออต่อสู้เพื่อที่จะรักษาแล้วถึงโจรท่าตายกรักเพชรนี่งกว่ารักชีสข็ให้เรารักชีสนิ่งกว่ารักเพช ร, รชเนี่ย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 พอเรามาถึงที่เราก็จะรู้ท th ันทีแล้วเราก็จะได้รามัดระวังนี่คือถ้ามีคนนาทางมีศาสนาอยู่แต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าเรารู้จักทางเราก็ขับไปด้วยความละมัดระวังตรงไหนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็ระมัดมระวังตามโค้งเราก็ละมัดระวั ง, ง, ร ง, เ, ระะวงเราก็ไปของเราเองได้เพราะอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่คนขับไม่ได้อยู่ที่ถนนไม่มอยู่ที่ทางโคง้ง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 หนึ่งปีแสนตีนพอกรับมาก็ศาสนาพุทธมนุษยจะมีอยู่หรื่ไม่มีอยู่แล้วสหรักศาสนาพุทนอายุเพียงห้าพันปีแล้วกว่าจะมีพระพุทธศาสนาของพระศีลามาปรากฏพระเป็นกับนังชีวิตนี้ก็อาจจะเป็นลบในป้าสุดท้ายก็ได้เพ้าถ้าลบีน ม, มาก็เรียกกระโดดขึ้นเล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 ต่างแต่วัตถุหรือต่างแต่ปัญหาแตน่นัอนเองแต่มันก็ยาวนอยู่กับเรื่องของสนิทไทยกับทุกเรือะและวิธีแก่ก็คือมรรคกับวิโลนราะฉะ้การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไมาเจอพระพุทธศาสนานี่จึงถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากจะไม่ควรปล่อยให้ โอกาสอันดีงานนี้ผ่านไปเลยไม่ได้มีอะไรติดไมกตุดมือไปอย่าคว้าน้ำเหลวควาน้เหลวอย่าเสียชาติเกิดเอาให้เอาดวตาเห็นทำให้ได้เอาให้เห็นใหได้อรอยิยสัจต้องไม่กลัวความเจ็บต้องไม่กลัวความตายต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาความเจ็บอยู่เรื่อยๆว่าเป็นธรรมดา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 เป็นองค์ประกอบเป็นั้นไม่ใช่เป็นหัวใจของของการปฏิบัติเพื่อที่จะดับความทุกข์ภายในใจเราข้อมีสําคัญก็คือให้รู้ว่าทุกข์ภใจเราเกิดจากความอยากนี้ความอยากต่างๆการมาตัญหาภาวะตัญหาหวิภยาวตัญหาและวิธีที่จะดับมันได้ก็ต้องศีลสมาธิวัตญยาด้วยทานศีลและาาภาวนาด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา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 ค่อข้าวของเงินทองแต่บางที่ลรีนี้ยมันเป็นเหมือนกับสมภาระที่ถ่วงเรือถ้าเราจะต้องการให้เรือเรวาวิ่งเร็วเราต้องให้เรือเบาๆถ้ามีสมภาระมากๆ ม, ม, มันก็จะวินงไดช้าถ้าเรามีสมบัติข้าวของเงินทองที่เกินความจำเป็นก็จะทำให้เราพัฒนาทางจิตใจไปได้ยากเพราะมันจะถูก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 ي, ทําบุญนี้นะก็ได้รับจะไม่เ ي, ขาจะได้รุงเรืองแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เหมือนเขาก็ไม่ได้ทราบนะเขาว่ามันต้องได้บุญจริงๆต้องมาตา ก, กันไม่ควรตอบแทน <ซะ S 2> เป็นการสอนของคนที่มีจกียรติสอนเพร <c oughs> าะครขาอยากจะให้ลูกทำบุญก็ <c oughs> เลยพอยมีมีความจริงส่วนนี้อยู่ยก็เลยเอาความจริงส่วนนี้ักขายความจริงมันไม่ใช่เป็นความจริงที่สําคัญความจริงที่สําคัญต้องสอนด้วยว่ามีการเสียสละทํำให้เราเป็นคน มีจมนเจตนาการภาวาเป็นจิตใจที่สูงเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะมีความส <c oughs> ุขใจมากกว่าคนสองอย่างนั้นแต่มันถูกปลกไปหมดเลยเพราะทุกคนทำมันก็เลย <c oughs> คิดว่าอยากจะได้ผลตอบแทนทำมันแล้วจะร่ํารวยเกิดภ <c oughs> บหน้าชาติหน้าอันนี้มันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นได้ไม่ไม่ไมกระพิเศษแต่เราควรจะพูดถึงผลในปัจจุบันมากกว่า คือความสุขใจสบายใจความที่มีจิตใจที่สูงขึ้นเนะพราะมีความเมตตามีความกรุญาูมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวและมีต่อหาที่เป็นผลดีเราจะได้รับจากการทำบุญเข้าใจนะนะนะที่ก็ถูกศา้นาะก็ถูกค น, คนคสอนหลายรูปแบบ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 นี่เป็นคนที่เราจะได้รับแต่ท่านครับท่านพูดถ้าท่านแสดงการน่าเรามีหูฟังท่านเราหูอู่่ถ้าท่านไม่พูดก็ไม่ได้เช่นไปเจอพระปเจต์อะไพระพุทธเจ้าท่านไม่พูดเลยท่านไม่สอนนะทำเหมือนกับครูบาจารย์ลูกท่านไม่พูดอะไรอานุโมทนาแล้วก็จบท่านก็ไม่ได้ธรรมะเพราะท่านพูดใน่เป็นไม่ทําสอนไม่เป็น ไม่ท่านไม่กจะสอนก็ไม่ก้าท่าน <c oughs> น, นี ป, นประโยชน์ที่เราจะได้รับแากผู้อื่น <c oughs> แต่บุญที่จะได้รับจริงๆคือคือในปัจจุบันนี้ <c oughs> คือความสุขใจความเทาใจความสบายใจส่วนพ้นบุญในอนาคตนี้มันก็แล้วแต่บางทีเราไปตกวทุกได้ยากก็จะมีคนมามาดูแลเรา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 ย้อนตามเขาไปได้เหมนกระต่ายตื่นตัวกรต่ายนอนอยู่ใต้ต้นตาลลูกตาลหล่นลงมาก็ตกใจเตื่งคิดว่าพรลาถล่มพลาทลายก็วิ่งหนีจากตัวเองเห็นกระต่ายวิ่งเขาวิ่งถาเกิดอะไรขึ้นว่าพลาถล่มพลาทลายก็วิ่งตามกันใหญ่เนี่ยเนี่ละเชื่อแบบแบบแบบสุดๆเลยจนไปเจอราชสีหราชสีห์เลถามว่าวิ่งไปไหนกัน ว่าอยู่ท่าพระถล่มทลายก็เลยม่กที่ว่ามถล่มตรงไหนไหนพาไปดูหน่อยสิพอไปดูก็เห็นมีรูปตายอยู่ใต้ต้นตาก็ก็พิจารณาพิสูจเห็นว่าอ๋อไม่เป็นรูปตายลงมาเนั้นเนี่ยเราต้องพิสูจ์อย่างนี้อย่าไปเชื่อเฉยๆไม่อย่าไปปฏิเสธเฉยๆไม่ควรปฏิเสธและไม่ควรเชื่อจนกว่าเราจะ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 คำสอนองท่านเป็นการท้าพิสูจน์ว่าลองทาตามดูซิลอเรักษาศีลดูแล้วจะดีกว่าไม่รักษาศีลดรลองทำบุญดูแล้วจะดีกว่าไม่ทำบุญลอเภาวนาลองปฏิบัติดูแล้วจะดีกว่าไม่ปฏิบัติลองทำดูแล้วจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงเชื่อแบบนี้เชื่อว่้เชื่อเพื่อนำมาเป็นพิสูจน์ได้แต่อย่าไปเชื่อเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เป็นพิสูจน์ ก็จะไม่รู้จริ ง, งดีเชื่อก็ไม่มีความไม่มีน้าหนักพอพอถึงเวลาเข้าจริงๆก็เส่วงหน้าของกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็จะมันก็จะปกความชื่อของเราไปพ อ, อถึงเวลาเาปน็นวันตายท่านบอกใหาสละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมก็ไม่เอาแล้วต้องคุณธรรมเพื่อรักษาชีวิตก่อน แต่ถ้าไปปฏิบัตนะิแล้วพอเห็นคุณค่าของคุณธรรมแนละ้วยอมยอมตายยอมตายเพื่อรักษาชีวเพื่อรักษาคุณธรรมหายสงสัยแล้วมยมีอะไรเหร อ, อไม่มีอะไร